หลวงพ่อออกจากวัดตั้งแต่วันที่เจ็ดวันนี้ก็เป็นวันที่สิบหกแล้วนะวันนี้นะวันที่เจ็ดหลวงพ่อออกจากวัดออกจากวัดขึ้นเครื่องไปลงกรุงเทพออกจากกรุงเทพไปภูเก็ตนะภูเก็ตวันจันทร์ธนาคารกรุงเทพสาขากระลนเขาก็จัดเป็นผ้าป่าขึ้นมาถวายเพื่อจะสร้างเสนาสนะและก็เครื่องมือแพทย ก็เลยหลงพ่อไปรับผ้าป่าผ้าป่ากองเล็กๆเหมือนนเะพวกชาวธนาคารพวกชาวตลาดก็ได้สองแสนกว่าเหมือนกันนะสองแสนกว่าแล้วก็ทางแพทเนี่ยก็ให้หลงพ่อก็เลยตัดออกไปให้เครื่องวัดความดันเครื่องวัดความดันแบบรุ่นใหม่ที่เป็นรถเข็นก็ประมาณสามหมสก็มอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปวัดหลวงปู่เนธจังหวัดกระบี่วันเกิดของท่านก็พร้อมท่านท่านก็ฉลองศาลาด้วยมีหลวงปู่ท่อนมีหลวงปู่หลายหลวงปู่นะหลายองค์พระถึงเกือบ200รอกว่าองค์มั่งวันนั้นพระมากอยู่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนโรงพยาบาลของหลวงตาหลวงตาไปสร้าง ขอประชุมไว้ที่เกาะยาวนะหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปดูจากนั้นก็นเดินพาศรัทธาญาติโยมมอบปัจจัยให้โรงพยาบาลพอหลวงพ่อก็ไปไม่รวยได้หลวงพ่อแตหลวงพ่อก็มอบให้โรงพยาบาลสองหมื่นแล้วก็โรงเรียนปั้นหญีของเขาอีกสองหมื่นอันนี้ก็คือ ไปที่ไหนเราพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้แล้วก็เออช่วยๆไปเพื่อนมนุษย์ชาติถ้าคนเราไปนสถานที่ใดถิ่นใดมีน้ําใจต่อกันร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นแหละถ้าไปที่ไหนไม่จะไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปเบียดไปบังเขาเออไปที่ไหนคือเดือดร้อนวุ่นวายทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่าความเมตตาไปอยู่นสถานที่ใดเมตตาทำค้าจุนโลกเนี่ยหลักของพระพุทธศาสนา ก็ขึ้นมาวันที่สิบสองก็มาทําธุระที่กรุงเทพอยู่สองคืนสถาญาติโยมในมลและจากนั้นก็รที่ขึ้นมาที่โคราชวันที่สิบสี่วันก่อนวันที่สิบห้าเมื่อวานก็มีการทอดผ้าป่าสามมุขีเพื่อสร้างอาคารวัดป่าพิมายศาลาอาเนกประสงค์วัดป่าพิมายก็ได้ปัจจัยผมเจ็ดแสนกว่ายานเะมื่อวาน หมอภัยลงตาด็อกเตอร์น่พอเสร็จแล้ก็หลวงพ่อกลับมาถึงวัดเมื่อคืนนี้สีทุ่งครึ่งนะนั่นแหละคือภาระธุระแต่ว่าถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อเคยย้ำและก็เคยพูดในเอ็มพีสามของหลวงพ่ออีกว่ากิจธุระของพระที่แท้จริงนั่นคืออะไรก็คือเผากิเลสในจิตใจอันนั้นคือภาระธุระของพระ แต่นอกเหนือจากนั้นเราอยู่กับโลกเขาเราจะทำยังไงจึงจะให้เหมาะสมกับโลกดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานในวันเดือนหเพนตตอนจวนสว่างนั้นจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอะไรอีกต่อไปคำพูดนั้นเป็นคำพูดถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นคาพูดที่ศักดิ์สิทธ ลูกหลานทางหลายเรี่ยวชาวพุทธทั้งหลายพุทธมาม ก, กะทั้งหลายสาวกทางหลายควรจะเอาคําพูดนั้นมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลถ้าพ่อแม่สั่งเสียใครก็ตามพอพ่อแม่ใจจะขาดถ้าท่านมีสติท่านสั่งเสียลูกของท่านด้วยเรื่องอะไรลูกทั้งหลายถ้าหากว่าเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจิตใจก็จะยึดแนวธรรมที่พ่อแม่ สั่งเสียนั้นเป็นครั้งจุดท้ายนั้นเป็นคำพูดอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นคำพูดที่ว่าซักสิทธ์หรือว่าเป็นคำพูดที่ว่าสั่งเสียและจากไปอย่างพรามในเมืองกรุงราชคืนะสั่งเสียลูกชายคนเดียวของท่านพรามเข้าขั้นเศรษฐีแตนว่าลูกเอ้ย ถ้าลูกอยากจะเจริญรุ่งเรืองอยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจะมีหน้ามีตาในชุมชนและสังคมให้ลูกไหว้ทิศทั้งหนะกนะลูกเน้อะให้ลูกไหว้ทิศทั้งหนะกนะลูกเนอลูกจะเจริญในการเป็นอยู่ทุกอย่างจากนั้นพ่อก็ตายไปใจขาดไปแต่นี้ลูกชายก็ทิศทั้งหกคืออะไรพ่อก็ไม่ได้ถามจากนั้น ชายหนุ่มคนนั้นน่ะลูกชายของพรามท่านนั้นน่ะพ่อได้รับคําสั่งแล้วก็ตอนเช้าตื่นแต่เช้ามืดมาก็ออกไปกลางท้องนาที่โลง่ลงโล่งว่างๆจากนั้นก็ไหว้ทิศทั้งหกยกมือขึ้นมาไหว้ตรงหัวของเราเนี่ยนะครับไหว้าอากาศเพราะมันว่างๆยกมือไหว้ทั้งทิศทางบนยกมือไหว้ลงไปข้างล่างปัจุธาคือแผ่นดินแล้วก็ยกมือไหว้าทางทิศ ต, ตะวันออก หันยกมือไหว้ทางทิศ ต, ตะวันตกยกมือไหว้ทางทิศเหนือยกมือไหว้ทางทิศใตใ้รวมแล้วเป็นหกทิศพอดีเหมือนกันทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศเบื้องสูงเบื้องต่ําจากนั้นก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันไม่ได้ขาดเพราะเป็นคําสั่งของพ่อพ่อสั่งเสียเอาไว้แต่ความหมายไม่รู้ว่าพ่อสั่งเรื่องอะไรแต่ว่าในใจนั้นเคารพในคําสั่งของพ่อพ่อว่าให้ไหว้ทิศทั้งหก จ, จะเจริญ เราก็ต้งไม่เห็นจะผิดที่ตรงไหนเราก็ไปไหว้ทิศทั้งหกทุกวันวันไหนหนาวขนาดไหนเออหิมะตกขนาดไหนชายหนุ่มคนนั้นก็ยังไปไหว้ไปไหว้ทิศทั้งหกตลอดไม่เคยขาดตอนนี้ยพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่กรุงราชคือท่านก็มองเห็นเออบุรุษคนนี้นะ่ะเขาเป็นผู้ซื่อสัตย์เราเป็นคู่จงรักภักดีจิตใจของเขา ขาวสะอาดแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าทิศทั้งหกนั่นคืออะไรเพราะนั้นเราควรจะไปสอนเขาพระพุทธองค์ก็เดินไปเดินผ่านไปกับพระอนนุนก็ถามว่ามานพเธอทำอะไรถามชายหนุ่มเธอทำอะไรข้าพระองค์พระบิดาสั่งว่าให้ข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกพระเ้าวข่าข้าพระองค์ออกมาไหวท้ทิศทังหกทุกวัน มานบเธอรู้ไหมทิศทั้งหกนั่นคืออะไรทิศทั้งหกที่ข้าพระองค์รู้อยู่คือในความเข้าใจของข้าพระองค์ก็คือทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกแล้วก็ท้องฟ้าและก็แผ่นดินพระเจ้าขา้าพระพองค์ไม่ใช่ทิศทั้งหกอย่างนี้เป็นวทิศอมันไม่มีอะไรไม่ให้โทษให้คุณแก่ใครทั้งหมดมีแต่เราไปหลงทิศเท่านั้นเอง มันจะให้โทษเพราะนั้นทิศ ท, ทั้งหกนี่ที่แท้จริงก็คือทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาทิศเบื้องหลังบุตรภรรยาทิศเบื้องขวามิตรทิศเบื้องซ้ายคนทั่วทัท่วไปทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ทิศเบื้องต่าคือคนรับใช้อันนี้แหละคือทิศให้ปฏิบัติให้ถูกพระพุทธเจ้าท่านวางกันนะเออ ในวันทิตทั้งหกเลยเนี่ยมารดาปิดาบุตรธิดาควรทาตนอย่างไรกับพ่อแม่อ่แล้วก็ตัวเองควรปฏิบัติตนอย่างไงต่อลูกต่อภรรยาอ่ปฏิบัติตนอย่างไรต่อมิตรสหายอ่ปฏิบัติตนอย่างไงต่อคนรับใช้ปฏิบัติตนอย่างไงต่อสมณพรารมอ่ปฏิบัติตนอย่างไรต่อคนทั่ ว, วไป อย่างเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นมันจะกระเทือนหรือวมันจะมาเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ไม่ถูกเราจะเจริญได้อย่างไรถ้าเราปฏิบัติต่อลูกต่อภรรยาสามีไม่ถูกเราจะเจริญได้อย่างไรเราจะปฏิบัติกับมูมิตทสหายปฏิบัติตนเราจะเจริญได้อย่างไรถ้าปฏิบัติไม่ถูกสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนมโนบมโนบก็เข้าใจ จากนั้นฟังเขาท่านก็ได้จําเร็จพระโสดาบันนะนี่แหละอันนี้คือคือคําสั่งเสียของพราหมณ์พระบิดาแต่ไม่ได้พูดชัดเจนว่าคําพูดเรวัตทิศ ท, ทั้งหกนั่นคืออะไรท่านก็มไม่ได้อธิบายแต่ลูกชายมานพคนนั้นก็ตีความหมายไปไปอีกผิดในระดับหนึ่งแต่ได้มาพูดถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งเสียภาษาวกที่ห้อมร้อมพระองค์อยู่พระองค์บอกว่า ขยวยธรรมมาสร้างฆ้าราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงพวกท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือปัจฉิมโอวาทเมื่อพูดจบแล้วพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอะไรต่อไปจากนั้นพระองค์ก็ทําการปรินิพาน น, นี่แหละเรียกว่าปัจฉิมโอวาท อย่างประโยชน์ตนประโยชน์ตนนั่นคืออะไรกรพยายา็พยายามทําจิตพยายามทําใจพยายามจังสมคุณงามความดีพยายามชําระกายวาจาใจของตอนเองให้เป็นพรัสดูดาสกทาคาอนาคาอรหันในเมื่อเป็นไปได้พอสมควรแล้วเราก็มาในมองข้ามทางโลกเขาช่วยโลกเขาจะทํายังไงแนะนําสั่งสอนใช่วยโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ อันนี้ก็อยากให้ขาดตกบกพร่องอันนี้ก็คือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านก็ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับคนยุคสมัยของพวกเราทีนี้สมัยหลวงพ่อเป็นสมนเด็จน้อยคนในยุคนั้นสมัยนั้นความคิดเห็นแตกแตกต่างกันเนีย่ยว่ายุคคอมมอนิสต์เหมือนกนเถอ ะ, อะยุคคอมมอนิสต์คือคือยุคที่มีความเห็นว่าคือมีความเห็นแตกแตกต่าง ก, ก, ก, ก, กันกับประชาธิปไตยคือโลกทั้งโลกจะให้เสมอกันทั้งหมด ไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้มีจนไม่ให้มีอะไรลักษณะอย่างนั้นให้เสมอภาคกันแต่ตามไม่จริงมันทาไม่ได้ผลที่สุดก็ล้มละลายอย่างที่พวกเราเห็นนั่นแะละจะให้คนตาดีเสมอคนตาบอดก็ไม่ได้คนหูหนวกจะให้คนคนหูดีก็ไม่ได้คนพิการจะให้คนไม่พิการก็ไม่ได้ไปทํายังได้ยังไงคนมันเกิดมาแล้วกล้ำเป็นผู้จําแนกแล้วมันก็ต้องจําแนกไปเรื่อยๆแต่พวกเราจะทํำยังไงไม่ให้มันหนักให้เป็นเบาขึ้นมาท่านเอง เออหนักไม่ให้มันหนักมากหนักให้เป็นเบาขึ้นมาช่วยกันพยายามพยุงขึ้นมาให้มันเบาขึ้นอย่าให้มันหนักจนเกินไปท่านเองจะให้เสมอภาคกันเป็นไปไม่ได้แต่นี้เขาก็มาพูดอีกว่าพระเป็นกาฝากของสังคมยุคสมัยนั้นนะมายุคสมัยนี้อย่างหลวงพ่อลงไปทางภาคใต้ไปทางภูเก็ต หมอบางคนเขาก็แสดงความคิดเห็นว่าพระไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมไม่ใช่กิจของสงฆ์สิ่งเหล่านี้แหละหลวงพ่อกมีเวลาน้อยวันนั้นถ้ามีเวลามากหลวงพ่อก็คงจะชี้แจงแสดงให้เหตุฟังกิจของสงฆ์นั่นคืออะไรกิจของหมอนั่นคืออะไรกิจของครูบาอาจารย์คืออะไรกิจตำรวจทหารคืออะไร ที่พวกเราจะต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเป็นเป็นพระสงอยเรูแบบแบบมัมมี่เนะแข็งถืออย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรเขาก็จะว่าพระมัมมี่อีกเหมือนกันนะั่นแหละจังเป็นหมอก็เหมือนกันหมอไปตีก๊อปอยางไงเป็นกิจของหมอหรือเปล่าเพราะานั้นเราจะไปมองแต่คนอื่นไม่ได้ต้องมองตัวเองด้วยอันไหนคือกิจของของเราไม่ใช่กิจของเรา ถ้าเราไปเมืองนอกเนี่ยเป็นกิจของหมอใช่ไหมก็คงจะไม่ใช่ทาไมไปไม่ใช่กิจของหมอไม่ไปก็ไม่ได้มีแต่ดูคนไข้คนป่วยเพ้อเพอจะเป็นประสาตตายเอาได้ง่ายๆเหมือนกันอยางพ่อเลี้นก็ต้องผ่อนคลายต้องหาทางออกบ้างอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันแต่พระสงฆ์นั้นกิจของสงฆ์นั้นคืออะไรกิจของสงฆ์ก็คือดูกายดูใจอันนั้นคือกิจของสงฆ์ที่แท้จริง แต่ว่าภายนอกเราก็ไม่ได้มองข้ามอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าขยะวยธรรมาสั่งคราอ ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติน่ะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านสรุปแล้วก็คือให้มองตอนเองให้มองตอนเองคือเราอยู่ในสถานะไหนเราพยายามทำให้ดีที่สุดในสถานะนั้นอย่าให้ตนเองอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเรา ทาเราช่วยกันส่งเสริมช่วยกันดูแลชุมชนและสังคมมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมประจําใจไว้อยู่เสมอชุมชนและสังคมของพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญหลวงพ่อว่านะเพวัะนั้นวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบหกมีนาห้าหนึ่งนะก็เห็นว่าพอจงควรถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยว พวกกูบาทั้งหลายไม่ได้ชั้นจังหันอะไรรับพ่อนะักเตนนีีนะ